ลงทุนลงแรงไปทําไมไม่เห็นมีแอปเปิลออกมาสักลูกเลยมันไม่มีแอปเปิลเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้ไหมายว่าต้นไม้นี้ไม่มีผลแต่มันเป็นผลคนละอย่างจากที่เราสอดสายการปฏิบัติคนที่ปฏิบัติก็อาจจะตั้งใจอยากจะได้ผลอย่างหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าที่ปฏิบัตินั้นอาจจะเกิดผลอีกแบบหนึ่งขึ้นมา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 สะสมความพอใจในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ทีนี้การปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้สร้างจังหวะไม่ได้เดินจงกรมเดินกลับไปกุติอาบน้ําถูฟันล้างชามซักผ้าก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นการปฏิบัติทําได้เพราะมีฉันทาเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาจ้าชี้จ้ำชัยไม่ใช่ว่าต้องมาปฏิบัติเฉพาะอยู่กันเป็นกลุ่มให้คนเห็นให้ครูบาจารู้ มันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าพอมีฉันทันแล้วก็อยากทำใครเห็นไม่เห็นเราก็ทำเพราะทำแล้วมีความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขที่เกิดขึ้นเท่า น, นั้นแต่ว่าผลของการปฏิบททัติเช่นมีสติรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นไปด้วยและสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์นะต่อชีวิตและการทางานการเจริญสติคือการพยายามสร้างร่องหรือเส้นทางใหม่ให้แกบชีวิต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 แต่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่มาใส่ใจเรื่องนี้เนี่ยบางทีชีวเราจิตใจเราก็สูญเปล่าไปกับเรื่องของความปรุงแต่งความกองวลงวิตกถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งแกมีงานที่จะต้องเร่งทำให้เสร็จนะอีกอาทิตย์นึงเนี่ยนะจะถึงกำหนดจัดงานมีหลายอย่างที่ต้องทำมากพอนึกถึงงานที่ต้องทำ แล้วนึกถึงเวลาที่กระชั้นเข้ามานะใจหนึ่งก็อยากจะเร่งทำให้เสร็จแต่แนวราเดีวกันเพราะความอยากจะเร่งทำให้เสร็จก็เลยเกิดความวิตกกังวลวิตกกังวลว่าอะไรวิตกกังวลว่าจะไม่เสร็จทันไอ้ความอยากให้เสร็ จ, จกับความวิตกก็ว่าจะไม่เสร็จนี่มันเป็นของคู่กันนะอยากให้เสร็จก็จะมีความกลัวหรือความวิตกก็ว่าจะไม่เสร็ จ, รรจ น, ระะนี่มันเป็นของคู่กันนะอยากให้เสร็จก็จะมีความกลัวอยากให้เสร็จ อยากจะเร่งให้เสร็จให้งานเสร็จตามกําหนดก็เลยยิ่งวิตกพอวิตกเข้าก็เลยเครียดพอเครียดเสร็จก็เลยปวดหัวพอปวดหัวเสร็จทํางานไม่ได้เลยต้องนอนเอาแรงก็กลายไปว่างานที่เร่งให้ทําให้เสร็จกลายเป็นช้าลงเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ปวดหัวนะปวดหัวเพราะอะไรเพราะวิตกยังไม่ทันจะทําอะไรเลยนะก็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 ต้องเร่งรีบเรื่อยไม้ให้ได้เสร็จ20แผ่นภายในวันนี้ก็จะเร่งก็จะเรื่อยไม่หยุดนะแต่ยิ่งทําเช่นนั้นเนี่ยคุณภาพงานก็จะตกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเรื่อยไม่หยุดนี่นะเป็นยังไงทําไปได้ชั่วโมงแรกก็ได้สัก2แผ่นพอชั่วโมงที่สพอชั่วโมงที่2นี่มันไม่ได้สองแผ่นแล้วละมา่าอาจจะได้แผ่นครึ่งเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่า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 พักใจไปด้วยมันเป็นศิลปะนะเรื่องการทำทำงานไปด้วยพักใจไปด้วยเนี่ยมีเพื่อนอาตมาคนหนึ่งเป็นเป็นพระเป็นพระเซนนะชาวอเมริกันเขาเล่าถึงอาจารย์เขาคนหนึ่งมีชื่อมากในอเมริกาชื่อชุนเบลสุสุกิเป็นผู้ที่มาตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเมื่อสักห้าสิปีที่แล้วตอนที่มาสร้างวัดเซนนะ ก็อาจารย์ก็อายุมากแล้วหกสิบกว่าแล้วแล้วตัวเล็กด้วยก็ต้องขนอิดขนไม้นะเพราะว่าไม่ค่อยมีงเงินเท่าไหร่ถ้าโชคดีหน่อยมีลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็เป็นชาวอเมริกันเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าหนุ่มสาวรุ่นนั้นนี่เริ่มสนใจาศาสนาแล้วเป็นคล้ายๆพวกฮิปปี้นะก็มาสนใจเรื่องาศาสนาสนใจเรื่องเซนเรื่อง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 ดูใจไปเรื่อยๆดูไม่เห็นดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ดูใหม่จะโดนความคิดหลอกไปบ้างก็ชั่งมันเราต้องต้องหัดชั่งมันบ่อยๆนะชั่งมันช่างมันแต่ไม่ใช่ชั่งมันเราเอาเราเป็นนั่งหลับนะเป็นนั่งเงียบมันได้ไม่ถูกชั่งมันแต่ว่าเราทำต่อทำไปเรื่อยๆนะจะทำแบบทิ้ ง, งๆควางๆบ้างก็ได้เพราะว่าใหม่ๆก็เป็นอย่างงั้นแหละนะ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 เห็นเขากระซิบกระราบกันก็สรุปแล้วว่าเขากำลังดินทาเรานะล้วคนเรานี่ชอบชอบสรุปนะอยู่ตลอดเวลานี่เพราะว่าไม่รู้ทันความคิดและบางทีไอการที่เราชอบสรุปนี่แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามีคนหนึ่งเขาพ่อเขาเป็นเป็นมะเร็งปอดเขาก็เนื่องจากสูบบุหรี่มาก ก็พยายามขอร้องพ่อให้เลิกสูบบุหรี่พ่อก็ไม่เลิกตอนหลังจนกระทั่งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องค่ารักษาโรงพยาบาลสุดท้ายก็ต้องไารักษาตัวก็ต้องไปอยู่คอนโดนะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลลูกชายก็หวังดีก็บอกพ่อว่าอย่าสูบบุหรีนะลูกก็พ่อก็บอกไม่สูบบุหรีไม่สูบแล้วพอแล้วนะ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 อย่าพิ่งไปสรุปอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอย่างนั้นไงนะอย่าไปเชื่อความคิดทีเดียวนะเสร็จแล้วเป็นยังไงสองสวันต่อมาสามีก็มางอนมงอัง้อมังงอนให้กลับไปเพราะสามีถ้าไม่มีภรรยาอยู่ด้วยก็ลาบากนะก็คิดได้ก็มงัง้อมังงอนให้สามีให้ภรรยากลับไปกลับไปที่บ้านภรรยาพอเจอสามีงอนงอ้อพูดจาเพ้อเพ้อก็ กลับไปดีกว่านะให้ความคิดที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลิกนะอยู่ได้แค่สามวันก็เปลี่ยนใจแล้วนะให้ความคิดเราเป็นอย่างนี้นะคือว่ามันมันมักจะด่วนสรุปนะตัดสินใจอะไรสักอย่างก็จะคิดเป็นมั่นเป็นหมอจะเอาให้ได้บางคนตั้งใจว่าปฏิบัติมามาได้สองสามอาทิตย์รู้สึกดีนะเกิดปิติมากจะขอบวช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 กับคนอื่นก็เหมือนกันนะเวลาใครพูดใครจา่าคนพูดคนจ่ามาเราลองลองลองหยุดฟังนิ่งๆดูบ้างส่วนใหญ่เาไม่ค่อยไม่คย ไ, มคยได้ไม่คยได้ฟังอะ่ะก็คิดในใจแล้วว่าเขาต้องมาไม้นี้ต้องพูดอย่างนี้แล้วก็เตรียมสวนเตรียมแยงเตรียมโต้เนะี่จิตไม่ว่างนะคือไม่ไม่สงบไม่นิ่งพออันนี้เรียกว่าขาดสติแต่ถ้าเรามีสตินี่เราจะฟังเราจะนิ่งเราจะไม่ตัดสิน แล้วก็บ่อยครั้งนี่มันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครวัวดีขึ้นมีเพื่อนก็ไล่ฟังนะว่ า, าตัวสามีเนี่ยนะสามีนี่ก็เป็นคนที่ก็ขยันทำมาหากินนะแต่ว่าก็มีนิสัยคือว่ า, อาชอบสังสรรค์กับเพื่อน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 สามีจะเบื่อเนี่จะไม่ค่อยสนใจก็จะไปจะไปไปหาความสุขข้างนอกอันนี้ก็เป็นความวิตกกังวลของภรรยาเนี่ยแต่พอสามีเ้าฟังอย่างนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วโอ้มันไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความเป็นความกังวลของภรรยาก็พยายามพอเขาพอเขาฟังนี้ขเขาเข้าใจพอเกิดความเข้าใจแล้วไอ้ความที่จะอ่าลำคาญ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 สามีภรรยาเหมือนกันนะสามีก็เป็นคนทําสวนสวนแบบไม่ใช่สวนแบบชาวบ้านนะก็เป็นสวนแบบพอมีฐานะสามีก็ดีมากนะทําอาหารเช้าอาหารเย็นให้ภรรยานะแต่มีปัญหาอย่างหนึงคือว่าภรรยานี่บางทีก็กลับบ้านข้ามเพราะว่าเป็นสาวออฟฟิศสามีก็จะคอยรอทํากับข้าวแล้วก็จะคอยรอว่าเมื่อไหร่ภรรยาจะกลับมากินข้าวนะ พอไม่กลับมาทุ่มสองทุ่มสามีก็จะโทรไปตามเพี้นอย่างนี้ บ, บ่อยๆภรรยายก็ลำคาญนะบางทีก็กดโทรศัพท์ทิ้งไปไ ม, ไม่ไม่ฟังหรือบางทีก็รับโทรศัพท์มาก็ว่าเหมือนกับว่าเราแวงว่าเขาจะไปมีชู้มีนอกมีไหนหรือเปล่านะแล้วบางทีก็แก้งไม่กลับมาเฉยเฉยหรือว่าแก้งกลับดึกๆึกนะสามีก็รอนะรอ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 แต่ภรรยาไม่เข้าใจตรงนี้เพราะภรรยาก็ทํางานออฟฟิศ hmm. ก็จะไม่ค่อย ไ, ได้รู้ปัญหาหรือความในใจของสามี mm hmm. พอรู้ว่าสามีก็ต้องการที่จะได้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างน้อยก็เวลากินข้าวเพราะฉะนั้นก็จะไม่กินข้าวก่อนเขาก็จะร อ, อนานแค่ไหนก็จะรอแต่ว่าสามีภ mm hmm. รรยาไม่เข้าใจเขาโวยวายใส่ทวงอยู่นั่นแหละตามตื้อนั่นแหละ mm hmm. อันนี้พอฟังเข้าโอเเข้าใจเลย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 ความสัมพันธ์ก็เลวร้วายลงไปเรื่อยๆให้การที่เราจะฟังกันได้นี่มันก็มีพื้นฐาน ม, มาจากสตินะเพราะว่าปฏิกิริยาของคนเราเนี่ยมันมันจะทําตามความเคยชินเดิมๆคือทันทีที่ได้ทันทีที่ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วว่าพูดอะไรหรือจะสุดแล้วว่าเขาละแวงเขาเขาละแวงเข า, เาจู้จี้กับเราสรุปก่อนที่เขาจะพูดเสร็จหรือสรุปก่อนที่เขาจะ